ในเมื่อเขาจะไหวมาถวายที่แรกเป็นสทานสารทานนี่เป็นใท้คนเดียวได้มาหล้วถ้าในวัดที่ต้องมีสิททั้งหมดใช่ไหแล้วเมื่อครอได้เมียเหลืออยู่เอาไปส่วนนี้เป็นสารกรรมใหญ่ของอะไรของนี้นีหะที่มาแล้วก็มาถวายพระเนีเป็นเป็นสรทานท่านนึ้วก็โยงคาไปก็เลยแยกอต่อมาฮะสามอะไร่อลึกได้หมาองอ๋บ อ้าวทางโลกนี mm. ้ม of okay? e ิจฉาโอ้โหว่าสุดหนักเลยการนี้หนักมากใช่ไหมกาเป็นสยัทธในการฟางโลกนี้่ัดถมาเลยมัหนักมากเราือว่าได้ันแลวแล้วอ้อากลับมามามาถามผมบอกว่าตอนจะติดคลองนี่ขบวนก็มีว่าไรก็เลยที่ทะีลเขาต้องใช้แบบนี้ไงเพราะว่าเขาต้องกั้น ถ้ามุมบิดเงไม่ออกก็ต้องแก้ยังไม่ได้เลาทำอะไรจัมาอะไรจากอันนี้บาดอันนี้บาดเลยได้ตอนนี้ก็มาเข้าใจเรื่องบคนลเลยอันนี้ฐานนะทำปามมุบิดมุเบีายวทำตามงมือนกันเห็นไมเหมือนบเขียนสองบาทนั่นทความจริงไม่ต้องว่าปุมมุมเบล้วันต้องการอะไร อยากจะไปนานล้วอยากจะไปโลกันโลภตัณา์ใจเาอาที่ขาองการใช่หือต้งใจนิานที่เขามุทะเส็จก็ไดมันต้อง่าบางสิ่ออต้องก่าตอรีพทธงจิตพอมันไมยังทำันจิตพอมอง้เออโอ้ต้องมีความมิตรานาโอ้แค่เมื่อบทนานมีอยู่ใช่ไหม พวกทางบุติไปชีวิตบัางทำมังบิดเหล้ามั่งทั้งทังไปชีวิตบ้างหลักไปไปเคยเห็นเรื่องติดข้อีิฉันหน้าติดข้อก็มาไม่แแล้วนี่ลงก็จะบานเลยนะแค่เห็นบันกอดไปเห็นไรไปก็ไป็นโลหน้าต่อไปก็บอกไปสิพ่อที่ยึติดข้อที่ยึดบ้างตเข้อฉันบ้างเลย เรียนถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้ครับพระท่าที่ได้รับจากหลวงพ่อหนูเอาไปไว้ที่พิมพงษาตะกอนปรากฏว่าสุวัลศาสนาข้าไปลังจากไปจะได้เงิเจ้ายวท้าหนูรู้ว่ไปไว้หนูข้าไปนี่เรื่องหนูตัวไหนหนูตัวที่ีปวางแล้วหนูมาใหม่ไม่า ใส้หนมาใหม่เอาไปนะแม่ร่างขนาดไหนล่ะประทัดนะประทัดก็แข็งโครมาทัศน์แข็งโคราท่ศน์เลยถ้าอยากจะได้ใหม่ก็ไม่ยากเลยไปตามตูดนั้นมากำกับได้อะไรมาให้ใครได้อใหม่ได้ทำไมทำไมไม่ไปใส่สลับสลับล่ะใส่ใส่ลาวสลับสลับราวาวเตัวไส่หนูกับโครมาทัศนบ้าง โลโตัวนี้จะเดิญพุดคารึนมที่สมัยนี้ถ้าสมัยยไ้ป็นประวัตเลยลองลองว่าถ้าอื้นพูก็ไม่ได้อื้นแล้วก็อะทุกวันที่วันทคงไม่อื้นอ้าวไปนี้ต้องไปหน้าพูงดีก่าถมีอะไรบ้างข้อสองการเล่นแทนบาปหรือเปล่าเจี่ยนะอ้ ขาด้ยแขนขวาอต่เป <and living S 2> ็นเตียมาเฟอร์ลินแช่แช่ในบาเวลไม่มีกฎหมายแช่ไม่ก็ ทันบอกว่ามันถือกฎหมายนะเป็นคณทีมเขาทีอ้าหายไปเอลาหายไปอะไรเอ้ยเจ้าแค่ไมันต้องแค่แบบที่ที่ตูตื่นเต้นเอ้าหายดูคนหายบ่อยเอาเท่าเท่ากับบาคาเรียใช่ไหมใช่ใกล้ใกล้กก็หายบ่อยๆมีหายไปทุลานเลยตามหน้าตามอะไรรับ ถ้า่นยกหรือว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวกับไมเี่ยมันก็ไปติาดถ้าเอาไม้ก็ห้ามเราหลบเล่ยงไปเยก็อาด้มหน่อยเอาไปติดมันก็้าห่อเดียวถามเรื่องลมลมยังใหม่ก็ลมท่าลมนี้องเดียวหรือเปล่าจุ่นแล้วแต่ว่าเขาจะเอามาจากบรไหน านไทยจริงเมึนกันแลอะไรเดียวกันแต่ว่าอย่างนี้บอกว่านี่ท่าตรงที่พ่อรอนะแต่ว่าตรงพระเจ้าปรมหาลาภแล้วก็ที่อาจารย์เย็นๆนับถือทําอะไรจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพรมหาลาภประการทโยอมอยากถามว่าตรงนั้นกับตรงเนี้ยตรงเดียวหรือเปล่าคนละองมันตรงเมองฝาไม่ทรงท่าตูง ถ <l adv od oczywiście> ้าว่ากยพึ็แถ้าว่าพชื่อแล้วก็คงดีกันอีนี้พ่อย่างสมมุติว่าเราเ้าโผลขึ้นมาพูดว่าทอไปแตดใจเราไม่ชื่เอาละใช้ได้เลยไปเลยบาใช่ไะเอาเรียบร้อยเรียบร้อย ตั้งใจไม่คิดมปยืนด่าเขาดีนะเไอปากมึคือด่าไก่อนใจคิดมันไม่มีมีอะไรไหมข้างหน้ามีเจอเลยนะถ้าไม่มีต้องหาที่ต่อน้ำไปไอ้เรื่อัน้ำปวดเราไปไกลเรื่องเรื่องปวดนี่ฉันไม่ไหวต้องใช้รถไ ม่ให้พอตาเล่าโรคป่วยต่อไมดใช่นี่นี่แบบนี้ใหดีกว่าสช่ใช้สราตามกฎหมายเป็นบาปหรือเปล่าตัวเลขเช่นแม่ผความพอมีโต้ไม่เบาใช้สุราเขาถือไม่เป็นเขาไม่ทานผมเลยเจ้าตงติงนี่คือว่าไม่ควรฆ่าทันทีจะตัดก็ตัดขาดไม่ได้ เขาไม่ดื่มจะไปดื่มเมื่อไหรถ้าไม่ดื่มไม่ถือยังไม่ขาเป็นด้านธรรมะาจะว่านด้านบาปใช่ไหยังบาปไม่ได้การรับก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าปรับการดื่ลหอครับไม่ฝากไม่ถกดใช่่้ยังไม่ยังไม่ดื่ยังยังไม่ถือว่าขาดยังไม่ขา ต้อตงขอตอบว่าไปสวรรค์บ้างไปในโลกบ้างก็ไมอะไรล่ะพ่ก็ภาเกินบอดีบัดึ่งให้เล่าเนียไม่เกี่ยวกับศีลนะเปล่าใช่ัหมบุรีก็ไม่เกี่ยวกับศีลต้องบอกเขาหรือเปล่าว่าเวลาที่จะไ้รับเป็นจากเขาต้องจัดค่าหาด้วยนะต้องค่าบรีด้วยนะต้องค่าเล่าเลยบอกหรือปล่าไม่บอกมากเลย สบายสบายสบายคือไม่ต like er ้องผ่านนักยามเดินลงเลยอ๋อเลงไปเลยเหรอใชยังไม่ต so? ้องมีการสอบสวนยังไม่ยังไงกไม่สอบสวนน้ำปาแล้แล้วแล้วก็ม่ากไ่าแล้วต้องไม่ได้าแล้วก็คนยังบอกเขาเลมันก็จะบอกกันตรงไปตรงมาแล้วอเจตนาต้องตัดังอะต้องถึงก็ถึงหมดนะใช่ไห ตอนนี้ทํามุนก็ถิ่นด้วยกันนะเรบอกแค่นี้นะจะลืมนะแค่การตั้งใจของเขาม่าเฉพาะกับถิ่ไปเลยเขาจงมันนอนเลยเอาเขาพองรองตท่อู่กันใชมจะลืมจืมพเจตนารี่เราบอกเขาตั้งใจไปเพียงใดถ้าเราใช้ยังอื่นนอกจากนั้นไม่ใช่ภาระทีที่เราบอกเขาไว่ รมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเวลานี้มันวัดหนึ่งตระกูลสามโอ้ึันราคาแล้วสมัคแทนนั่นสมัครแทนแล้วเวลาที่ญาติโยมไปทานอาหารวัดนั่นเดี๋ยวจะเป็นเป็นบาปเป็นกรรมรู้สาวไม่หลวงั่อก็ตั้งใจเพี้ยงไม่เกี่ยวเลย ใคก็ทำเป็นเพื่อเลี้ยงไม่มีอะไรเลยแต่ที่เขาไม่เลี้ยงอ่างขโมยเขาติเลยเห็นเห็นเมื่อวานอิาตลูกศิหลงพ่อหลายคนบกว่าเอออันนี้ใช้ไม่สมนะนี่ก็เป็นความนั่นหมายความว่าอะบอกว่าเป็นการตัวการเขาเองนะแต่ว่าเป็นการชำระไม่สมถ้าเราไม่ชระม่สมในจำนวนนี้ก็ไปใช้ได้สองเป็นเรื่องพระเป็นพรงระทำหรือไม่พรรเราได้บุญตนนะ เป็นแพมุ่งเกินไปในการข้ของกันก็ไม่เป็นไรมี่เลยเวทบูชาที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรข้อหนึ่งบูชาพระพุทธข้อสอบูชาเจ้าพี่ข้อสาบูชานางฟังก็เกัดว่า <c oughs> วักแม่มือต้อปฝากม้อต้องดูเวลาฝวกมือฝากแั่มืออย่าต้องเลยเลยโดนบ่อยเลอะไรเล่า่อยเลยนะบูชาประพุทว่าอย่างไรทุกที่ก็บูชาเจ้าที่และก็บุทาลำปังเจ้าที่เราดูก่อนบูชาพระพุทธรูปเออบูชาที่แั้วผู้ที่ก่อนดีกว่ากัน บูชาเี and are yeah. psi, Pierce, ่ยสองอย่างนะอามิสบุญชาอย่างหนึ่งและปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งแล้วคําว่าบูธาเนี่ยต้องมีความหมายออกคำว่าบูชาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงจุดโทษจุดโทษเฉยๆแต่แปลว่ิการพิการยอมรับนับถือเสมอใชไราะนี้ถ้าอ่านิสบุญชาเอาข้อควเสียริษัทจุดใช่ไหมหรือว่าเอาท่าบูชาที่ดีแล้วต้องดูนะ ถาบูชาพระพุทธไม่มีปัญห า, าถ้าเรายอมรับนักถือในท่านเราสรั่งสมมาทุเกเทีแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่ไหมแล้วก็ถ้าบูชานแบบนี้ล้วให้ปฏิบัติตามตามคําสั่งสอนของท่านมันบอกว่าโจรละชั่วกระเพื่อดีใช่ไหมคือว่าสิ่งใดที่มันชั่วเราก็เหมือนทำกระเพื่อดีเราทำอันนี้ ป, นปฏิบัติบูชาแต่สำหรับบูชาเจ้าที่เหมือนกับคูชาเจ้ า, าที่เหมือนกันใช่ไหม ถ้าบุชาเจ้าที่เน่ต้องดูก่อนว่าเจ้าที่ถ้าเราชอบเล่าอะไรพระครูก็ชอบเลนะ่านันนั้นเราชอบขนมอะไรเจ้าที่ก็ชอบขนมแต่การเจ้าบุชาให้สูกใจเราไม่มใการสู่ใจเจ้าที่คนเวลาใหจ้ะได้แต่งานต่อเรีร้อยนี้นี่ใส่ใกล้ตรงนี้แต่ว่าทรายมันอีเป็นไงราอบนานแล้วนะ <c oughs> จะบอกพี่นะเข า, าอยู่ไกลๆนี่ต้องคนแนท่งมาเนื่อว่าท่านเจ้าของบ้านท่านเองท่านก็ให้สั่งสามตอนแรกท่า น, นยังช่วยสั่งสามอยู่หลายปีมาแล้วนะใช่ให้่เชิญยกสามว่าครูไม่ช่วยเชิญให้แล้วก็ชวนเชิญให้ไปเชิญแล้วก็เลวลาเชิ ญ, ช ญ, ชญนีญ่ไม่มีเล่ายาราพิ้งใช่ไหมครับต่อมา ตอนเชา้าท่านเดของบ้านก็ต้องดตาเขาปูแล้วท่านเดกของบ้านเนี่ยชอเล่าใบโพทุกวันที่ต้องซื้อให้เด็กไปซื้อเล่าใบโพว่าวันแบ่ตอนเชา้าแล้วมาแบ่งท่านมาปูขึ้นกงแล้วท่านลกกูกิก็กินหมดใช่ไหมน <c oughs> ก่กว่าร้านที่เด็กไปซื้ อ, เ ล, อเล่าใบโพเขาไม่มียักวางเด็ก <c oughs> ไปซื้ อ, อกลับมาท่าก็โดนเด็กว่าไปคืน <c oughs> อาหารไปซื้อมาใหม่ไปซื้อมาคงไม่ได้สราพไม่ชอบแล้วแล้วก็ต่อมาก็กานสักสองสามเดือนก็มีเวลามาคุยกันแต่คนที่กินเล่าเนี่ยมันจะไม่พูดถึงเราการก็ะตุ้นใจอะไรแล้วคุยเรื่อง่นคป็ธรรมดาคุยเรื่องสองข้างตัพวกสองั้างก็ปลายคนว่าโยมคนนี้เรือดร้อนตอนทานจะเลิกกินเล่าเลยมันก็มาสนใ ตอนชาเด็กวาฒาอุตสาห์ข้าจะไปซื้อเล่าไหมโอเคซืออเลยวะเอาคุณเลิกทันนะเราม่ได้เล่ากันแล้วอ้าแกเลิกเขาคุณก็เลิกด้วยแต่รู้ใจกันตอนนี้ก็ต้องโดนเจ้าวุฒาเจ้าที่คนเราวุชาชอบอะไรก็หันหน้าไปให้ทไอ้นี่ไม่ถูกต้องนะเอ้ยวุฒาเจ้าพี่เจ้าพี่เนี่ยมันมายถึงมันเดวดาไม่ใช่อมากเดวดา เขาจำการหรือเปล่าฉันไม่เขา้าใจเลว่าทำไมเพราว่าจํากัดหรือเปล่านี่คนที่เชิญคุณเทวดาเนี่ยเขาเห็ น, นเทวดาองค์นั้นหรือเปล่าถ้าเทวดาโงค์นันท่านสั่งหรือเปล่าว่าถ้าเวลาที่จะบูชาท่านต้องมีอะไรอยู่ด้วยเข้าใจไห อ, นนอันนี้เคยพบมาบางองค์ก็บอกสั่งมาว่าเวลาที่จะบูชาฉันนมีบุหรี่กับมวนนะ เราโอ้องสังแบบนี้นะถ้าต้องสา่งแบบนั้นก็ต้องมีอยู่ด้วยอย่างอื่นเราจะให้อะไรก็ได้การต้องการอะไร อ, อ, อย่างนี้ไอ้การถห้อย่างนี้ก็ถือว่าถ้าให้าการนี้ให้ต้องการก็ถือว่าเป็นการบุูชาเจ้ารับรับสิ่งใดกันไหมแต่ความจริงๆเนี่ยที่มีมีการบุูชาคุ้มเจ้าที่เจ้าที่สมายที่สิบวดาเอากันตรงกรันที่พระเจ้าว่าเนะี่ยอาตรงเาเสียง เอาวรอ่ะเดียวตรงนี้ต้องตรงเขียนนะใช่เขียนต้องมีมันตรต้องสองอย่ากม็นจะดีไงอ้าวอย่างดีดีกว่ามันขี้เล้นเขียงไปแล้วกลับถ้าเอาตรงตงบูชาตามนี้ต้องตรงเขีเป็นเทวดาลัทธิบรรมทื่ว่าเราตั้งสายขึ้นมาเรากราบไหว้กรุบบูชาอันนี้เป็นของดีแล้วตองคนนี้ที่ว่าท่านเป็นเทวดาแล้วท่านจะไปเทวดาได้เพราอะไรอันนี้เป็นบูชานะ อาวุธานี่จะดื่มยอมรับทั้งสืส่อทั้งอะไรกันต้องกล้าว่าการที่เป็นเทวดาได้ก็อาศัยคุณธรรมสองอย่างคือที่โลตัดปาทีริความอายความชั่วโดับบัตเป็นตัวมือนความชั่วนี่เวลาที่เราอวุธานั่นเราคิดว่าท่านเป็นเทวดาได้อย่างนี้มีร่าทายเป็นทิศความหิวไม่มีความหนาวความร้อนความป่วยไข้ไม่สบายแข็เขาไม่มีสำหรับเทวดาท่านมีความสุขกันใด เราก็จะปฏิบัติดีการพันดวยอย่างนี้เป็นปฏิบัติสุดาดีไหมดีดีมาก ม, มีอะไรบ้างบนบญชาเนี่ยอัน้การจีรามนีม่เราจะไม่ไขัดแย้งกัน<อ>แล้วก็ถ้าวัอนอื่นเ้าที่เขาบอกว่าถ้าเราจะเสริมก็ได้<อ>จะบอกมีหมูมต้มหมูต้มมาอร่อยก็ให้แม่ตัวทําให้มานอร่อยขึ้นหน่อยเพราะนชาเท่าที่มีประโยชน์มาก พยายามจะวาให้นานนักพือมาในวันต่อเจเจะเพื่อนนะเเจดจะเพื่อนนะใช่ใได้เวลาเวลามเชียร์เพะเราพติตนทีถไม่นานเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่จ้า๋ย่าลอต่ออันนี้ถ้าว่าเป็เรื่องธรรมดาจริงๆนะเปธรรมดาจริงๆขึ้นบอกมันจะไม่ยุ่งมันเลยอสองยุ่งมันนะแค่ลูกมากจลูกสองลูกสองขอนี่ท่านพูดเองนะ แต่บาโ อ, คาองค์เขาไม่เคยเคยมีขอท่าบอกขอบุญสมองนะครับเวลาขบวนพาท่านจะบอกที่เอขาอบุญบางคนมากจะไม่สชว์บุญราะฉะนั้เจ้ายมันจะมนมนมนมนเป็นบ <c oughs> ุญสมองเอ้เคยรวมความขบวนพาเจ้าที่ก็คือว่าหนึ่งถ้าผู้ตั้งศาลเขาแนะนำว่าบวนพาว่าอย่างไงเื่องอะไรใช่ไมต้งไร แตการในสองอะไรที่เราจะเสื่อมได้การจิใจก็เสื่อม ไ, ได้โยฉ ะ, ะนั้นแล้วเมื่ี้มังลีสามบูชาอยู่จ๊ะกัตนัําบัตรสองข้นางกวักเคยฉันไม่เคยมีนางกวักกับเขาบวชนานเป็นโรกเป็นท้ผู้หญิงนี่ยกพราะฉะนั้นที่พระเข้าไปได้เม่เอไรไมรบกวนอ๋ม่ร้าอ๋อเลยไม่รู้วิธีปฏิบัติ นางฝากไปเขาอาจยะเสกโดยพุทธคุณธรมคุณพระนิานเรเป็นแบบนั้นหรืไม่ไม่รู้สิเขาจริงๆถ้าความเชื่อท่านาง่าก็บูชาแบบพุทธคุณธรรมคุณทั้งคนดีกว่าไม่จรงต้องได้จ้าที่ที่วเอซึ่งว่าทำพระอริยสงฆ์ก็มเทวดาไปเลยเป็นนางฝากเ่อแชร์เรัูกถ้านั่งใช่ไหมถ้าคุณนำมิตรมาบูชาจทราไปเลย ก็ไอ้เรื่องผู้ดีก็ดูก่อนเวลาที่ตอบแน่นอนนะครัะเพราะยังไม่มีหุ้นส่วยจะไล่ขายทู่ถ้าจะมีหุ้นสวยจะปลอดใช้มากๆอ่รือยอ้ยอนอยอนี่การดีแค่ทุกี่เดาะถ้าบูชาพระหรือบูชาเจวันดาเลย เขาโพลิสัยต้อมทำให้การนี้่งใหญ่ไม่พด้ใหเจ้าเวทจะไดบไปก็เลยอ้ที่เดียวเราแสเขียนมาที่นนก็ไม่มีปราดไม่มีที่ปัาดทูปัาดใช่ไหมทูปราดไปหาเวทจะมีทูมีเพียนมีดอกไม้เขาบ่ายเราแค่นี่เทียนไม่จำกัด ถ้าคันทำสู wish, exactly. ้ขายนะทจะบอกที่ยี่ห้อไหขายล้าสังมมันมากผลิตภัมากดันเห้นจได้ได้ได้ได้ได้ช่วยขายได้ดีเนาะแล้วก็ต้องบูชาบรรหลายช่างที่งมุนไพรมาทำมาช้านำรวยับอย่าลืมว่าตามมาลีคุปาที่กัุปขาใช่ไห คือว่าคนที่เขาจะไปเป่าพืชแก้วตาคนต่างซื้เพื่เดอกไม้ทัไม่หันกันมาสมัยนี้ว่าทบุชาผีก็หนึ่ดอกนับได้อันไอตมนไม่ได้ไกไไดอกอนี่ไม่มีต่างเป็นคนโจนหาสุเไปได้าตาซื้อเมาเรยนจปเป็นหนึ่งดอด<า>แต่วว่าถ้าบูชาพระหรือบูชาเทวดา ถ้าบังเ อ, อิญมีความต้องพ่ายกันได้เนียถ้าคุยกันได้ถ้บอกถ้าจะเลือกผมแล้วก็จุดเท่านี้ดอกน่าจะสิีิรักอันนี้ก็จะเป็นต่างเกิดเกิดมาถามว่าทําไมจะต้องเป็นอย่างนั้นไนอ้ที่เขาส่งกันนะมมีกล้าหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าจะจุดทุกเชิญผมเรือกผมมาแล้วก็ให้หกดอกนะครับถามว่าทําไมต้องให้หดอกสมบให้ห้าดอกจะเป็นสาวเสนะ ผมยังม่รู้แ้่ย่างก็ใช่ของดอกลักนิยมาเลยผ ม, มแน่นอนอันนี้ก็มีเคยไปเจอที่ลาบุแต่ว่าน้่นที่มาทรงนั่นทมงชั้นสูงมาไม่นานแล้วแต่มาวันนี้พับใช่ไหมมาแล้วก็ไม่พูดมาก ไ, ไปเร็วเอาแต่ธุระอย่างเดียวแล้วก่อนจอะไปก็สั่งไว้ก่อนวันที่เขานโน้นเลยสัญญา แล้วก็วันนั้นจะมีคนไข้กี่คนคนไข้มีลักษณะไหนบางเพียงยาอลไรบ้าให้เพียงใยาเยสร็ เ, ยยสงงเลยไ<อ>จากนั้นี่จะเกิดำเนิด ม, มาต่อจากวันนั้นั<อ>นี้แ่และอย่างพระเศตรงยี่สี่เลยอยางเงี้ย <24 S 2> ยี่สี่เลยนี่เป็นโนดาเปตะมาถ้าสมงยี่สีเลยนี่เจคนทรงจะทเล้ เราจะต้องกินผูเรียนจะกินข้าวไก่จะไก่ย่างไอ้ไก่ย่างเน่ยอาจจะชอบแต่จะไก่ยุ่งล่ะตัวสูงเลยไม่มาไปได้ธรรมดาเลยขาหนาการื่องยุขาสูง เดี๋ยวจะดีดีไปต่ออีกได้อืมแล้แล้วอย่างี้เป็นแบบไปเลยโดๆไปลครอ้อ่างโคตรสบายเพราะว่าถ้าเขาทอะไรมาเ็บอกกี่วันถ้ามีคนทานั้นไหมเนี่ยเราจะต้องเปิดนากับถ้าลงลงเชียร์ยุ่งยากเลยก็ฉันคิดว่า เป็นสำหรัเวทีหรือว่าทีโแต่เขาทำได้คนนี้มีพรไม่แพ้สามารถเกิื่อเือได้อย่างเึป่ว ย, ยไข้มมนสบายมันอาจจะไม่เป็นที่สายต้ึงีืว่ า, าการพยากรณ์ต่างๆอาจจะตรงได้การเป้าหมายไวไม่ยาวนะทนี่บ้านยุงถุมจุดยาการยุงและให้ยาฉีดทิ้งไว้ แมลงวิ่งมาถูกแล้วก็ตายเองบ้างไปตายในทวีวีบ้างไม่ตายเลทีวีมันจะมีเท้าปในจ่อบเล็กๆแกโอ้โอ้ท่เราชอโฆษณาสี่อย่าง่า่าฮี่า่าโดยใจก็ไม่เจตนาเพียงแต่ไล่เทตานั้นอย่างนี้จะมีบากมีแต่ลมาเอลิ แม่จะดูแลแม่ด yeah. ีนแม่ไม่เป็นไแม่ยังอยู่บ้านเลยยังอึู่บ้าน่อ้เราต้องดีด้วยนะเอาว่ากันจะให้จบให้จบให้จบกะดับปีปลายคอกน่อจากแม่ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งแม่เสียชีวิตอย่างนี้เป็นเพราะกรรมอะไรให้พระธาตจากการเจริญเจอเที่มันมีสองตอนนะเจต้นแึ้วเจอปลายก็ขายก็ออกมาล้วราที่โบราณนะไอ้เิดต้นดอกไม้คามเริ่มบปิสุนธิ์ที่สมัยแรกแล้วพอเปนทีิดมปลายมันทอดออกมาแล้วจากตอนไหนจากตอนต้นแลก หมอเดิน้อแคร้งแรกเปฏิบัตินทีเรื่องอะไ่าเป็นคนที่เาเกิดได้่ท่ตายเป็นบาป่านอะรที่มิผลใ่ไหังกสวันกได้อก็ได้เกิดได้แต่ายไม่ได้บาป่ต้องคนกินยาบ้างไให้หมอสิบออกาไอสิยาให้เด็กวดแลเกิดตายหน่วยไยาเราสารออ่ะ ยังไม่ก่บนยังไมก่อนตามดก่อนเวลาให้คุยแล้วไม่คุยที่ผ่านเวลาไม่คุยผ่านมาตอนนี้เขาก็บอกว่าพัฒนาเงินจำนวนกี่ในภาษาคล้ายๆว่าพอเกิดมาเนี่ยก็แม่กับพัดน์หลกจากไปจะเปสร้างแม่ตายไปเนี่ยก็มีกรรมอะไรอ๋อเกิดแล้วแากกันเลยค่ะทุกข้าวลูกนกบัาที่ข่าวลูกหมาลูกหมเออไอพวกเอาแนวหมาส่วนวัดเนี่ย เออเอาลกกตาแล้วสิเหรอนก้าลูกนกนกกาลูกไก่จะเข้าไหมเนี่ยวันหนึ่ยลูกหมามากขนาก็ปล่อยไว้คิดวาวัดวิตญาแล้วแมวหาม้าหปล่อยไว้คุณเทพทำไมงั้นอะไรจะไม่เคยมีเพื่อจะปล่อยวัดปล่อยวาเขาวัดเข้าวัดหรือวัดไม่มียังไร วัดจมันหมดยางไรแมห้าหม้ก็ือเป็นยางไรอยู่นะปล่อยวัสมดยางไงคนแก่ทางานไม่ไหวก็ไปล่อยว้หมดเล้าคนตายทีบ้านในอยากว้ก็ไปปล่อยวัหน้าเาพอยุ่งเกิดตื่นาฟเป็นมรยาบอกว่าอนุาให้ไีปดได้เออนี้เองนะนิดเรื่องเกิดพอออกมาปกแม่ก็ เยอย่างนี้จะเป็นกรมของแม่หรือลูกพระเ้ถ<า>้าใครเคนตายแม่แม<า>่ตายคันพ่อการแม่ีม่อวันนี้ลูกมันจะบาปโดยทํทาให้แม่ตายอาันนี้นอกบารีเลยเพื่อนแี่เด็กตัวเล็กๆเ็เป็ลอมางไรใช่ไหมถ้เเา เ, เสียอดเลยสุดของกรรมของท่านก็ไม่ได้ธรรมกรรมในบา ร, รีสองอย่าง อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าก็จะคันมันดาแล้วครับวันที่เจ็ดแม่กขาตายเนีครับ่ไมครับแล้วว่าอย่คว่าอันนี้มันเป็นกรรมนัไงที่ว่าท้องดที่พระพุทธเจ้าเกิคนที่จะเป็นผู้เจ้าในชานัเดท้องนั่นเด็กอื่จะเกิดได้ในเมื่อท่านตายนั้นเ่เบตายเล็อยู่แม่ตายแล้วก็อยู่ระดุสิใช่ไหมก็ไปเป็นเทวดาไม่ใช่เปทางฟ้าหรอเป็นเวดา เดินเป็นผู้หญงไม่ได้แนละ้วเด็กเข้ า, ข า, า, ข า, าท้องใหม่ยังไม่ไิยืนนึกภาพตัววัเดกเตือนตัวท้องกไม่ได้เพราะว่าเป็นจิตวิญารแล้วก็ท้านงไม่จัดมาเพราะเราต้องถือว่าเป็นกฎพุงกรรมทั้งเด็กทั้งแม่แล้วแหละต้องพัดคาดจากกันนี้ไหมแม่มีกรรมผู้ตายให้ลูกเราลำบากเรื่ง ย, ย, งยากยากๆก็เป็นเหมือนแน่ๆเป็นตัวยืนะาเรียบเป็นกฎจิงกิญ แล้วอยากไปซื้อลุกหมงลูกหมาจ้ะเลาถามหรวงมาเรียนรเรียกว่ากลางใช่ไหมคือลูกมหม่งมา ไ, ไ <c oughs> ม่ถือ่ากลางถ้าลูกหมาไม่กลาครับว่าถ้าลูกหมาที่เรามาเรียนมีความจิงมันต้องเกี่ยวกับเจ้ของเขาน่นนะเ <c oughs> จะของเขาตั้งใจถายใช่ไหม <c oughs> ให้คำตรวนี้ต้องไปอยู่ในจ้ของเขาถ้าเรามาเรียนดีดีเพื่อไม่ตาบบารมีในการส่งต่อฉันว่าจะมีคุณมากกว่า แต่ว่าของผมที่บ้านแมวมาวีัวนึพ่อัาตัต้งืมอมงคนลอ่ะไอเสตีห้าเป็นจรืรอลุกจะนั่นนะเจ้ามองคสตีอันตั่นหละถ้าตืินถ้าเมื่อสน ม, มันตัดโรแม่เป็นมงนลุลเสต แต่คนด่านแม่เลยไปขับประมงคนเสียมาอาจารย์จะหลักตั้งหลายวันเลยโดยไปรานตีสี่ต้ไปนั่าโสดคนแล้วก็มานั่งโสากับนะชอบนะใช่นี่ไปไปสวรรค์นะมันมีหมาหมาชนตัวเี้เดินไปเดินม่ดินดอกตเกิถ้าเวลาเท่จะไปนั่งนั่งมาตลอดเวลา แสดงเอาตลอบเวลาลูกก็จะแสดงงบฐานนี่มันนอนยู่หน้าตรอเวลาเวลาตายจริงๆอีซูี่แบตายจำจำเป็นตีสีลูกแสดงงบฐานก่อนทีสองติสองจำแสดงงบฐานเพราะตีสี่ครับแล้วตีราคาส่วนบนเราก็เลยจะมสนจ้า้วังเตจาที่เข้เ็เขามาได้แล้วอากาศมันนอนไอเสมาตัวนี้มันป่วแล้วแล้วก็ะัง์ก็เลยไปนั่งฟังพระส่วนบนตามปกติ ถ้าพระสวมันจบลัตอตยตก็ไปทศวรรใช่ไหม้วนอนนอนจิตใจภาวนาสบายๆตอนพระสมันจิตใจก็ไปสุขแล้ภาวนาเรือยๆพอสักถ้าเลิกเวรสักไม่ถึงยี่สิบทีก็มีเทวดาแสดงตัวสว่างกล้าทั้งห้องเป็นมากสวยากแล้วก็มองด้วยเทวดาวิ่งมาเกิดมาตายเขาเรยกแกดิคา